อาลูกหลานทุกคนอยู่ในความสงบมีอะไรหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังแต่เมื่อเช้านี่ฟ้าฝนลองของฮะทำไมจึงว่าฟ้าฝนลองของลองพระใหม่เหมืนกันแต่พระหลวงหูหลวงตาเป็นพอ อ, อ, อไม่รู้กี่ท่านทั้งลองพอ อ, อด้วยบวชมาคราวนี้ตั้งย2บสองที่มาอยู่วัดหลวงพ่อนะ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 ลุงตรงนาง้าบาทนี่คงจะหล่นกันเป็นแฉบแล้วงั้นเถอะแต่จังดีนะหลวงพ่อว่ามาลองทดลองโค้งสุดท้ายคล้ายๆกับว่าตัวเองก็ของผ้าจีวรพอได้แล้ววิธีการบินทบาทก็รู้เรื่องแล้วนฝนก็มาตกก็เลยยังพอประคองไหวแต่ขนาดนั้นก็คงจะอึดอัดพอสมควรพระใหม่วันนี้ทั้งผ้าจีวรก็ลุ่มล่ามอาจจะหลุดเปียก อีกต่างหากนะเนี่ยแหละชีวิตของพระชีวิตของนักบวชพวกเราคิดว่าจะปูด้วยดอกกุหลาบกรีบดอกกุหลาบที่เดียวไม่ใช่น ะ, ะการเป็นนักพรตนักบวชต้องการของร้อนอได้ของเย็นต้องการของเย็นได้ของร้อนไม่ได้อย่างใจของพวกเราแต่ใจาจของเราโอ๊ยวันนี้ฝนตกไม่มาบินถาวรแล้วว ะ, ะ, ะก็ไม่ได้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 เมษายนพุทธศักราช2558ในคะณะทาาศัทยญาติโยมลูกหลานและก็พร้อมการพระใหม่ลาสิกขาไปก็มีบ้างแล้วก็ลาไปเยี่ยมบ้านไปโปรดญาติโยมก็มีแต่หลวงพ่อไม่ว่ากันแล้วเพระบวชไม่กี่วันแต่ถ้าเป็นพระเก่านะ่ยหลวงพ่อเอ้ยระวังญาติโยมโปรดก็แล้วกันนะไม่ใช่ว่าตัวเองจะไปโปรดญาติโยมนะ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 ไปตีไก่กับเขาอีกงั้นเลี้ยงไก่ตีอีกต่างหากเออเป็นเป็นพอ อ, อเป็นข้าราชการเออเพิเ่มเพิ่ะว่าเขาเังนั้นไปนั่งเฝ้าหุ่นทั้งวีทั้งวันอีกต่างหากเฝ้าหุ่นก็ค่อยยังชั่วอยู่หน่อยนึ่งอยู่แต่ว่านั่นนะไปเฝ้าสะปาก็ไปตีไก่ในกองไก่ของเขาเน่ะพอตำรวจไปกับวิ่งหนีก็ไม่ทันเขาอีกต่างหากสิ่งเหล่านี้ที่หลวงพ่อพูดให้ฟัง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 สร้างที่อยู่อาศัยเงิเนแต่จะมาซื้อบุญเข้าสู่จิตใจไม่ได้นะแต่่าได้ยุทธารรมบุญนะทาบุญสร้างบุญสร้างกุศลช่วยสาธารณประโยชน์ได้แต่ว่าจะมาคิดว่ามีแลเงินแล้วก็นนจะไปซื้อบุญนันไม่ได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อาหารกายเราก็ให้รู้อาหารใจควรปฏิบัติตนอย่างไรอาหารใจให้ศึกษา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 พวกเราอย่าไปทะเลทรายถ้าไปก็ไปเนะี่ยให้เป็นประโยชน์พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเราปู่ย่าตายายของเราที่ไหนเราก็ควรจะเข้าไปกราบคารวะมุดน้ำดำหัวท่านาให้ลูกหลานได้เห็น เ, เห็นปู่ย่าตายายพ่อแม่กควรจะพาไปกราบไปไหว้ถ้าอยู่ใกล้นะเว้นเสียแต่อยู่นู่นาภาคอื่น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 ไม่มีอะไรกับแก้วสารพัดนึกนเนยมีเงินติดกระเป๋าไปร้อยสองร้อยบาทเนี่ยไปคารวะท่านท่านก็นดีใจแล้วถ้าได้มากกว่านั้นก็ยิ่งดีเขาไปกราบที่หัวเข่าของนั่นตักของท่านเออคุณ พ, พ่อคุณแม่ลูกหลานทั้งหลายได้มากราบคารวะมุดน้ำดำหัวตามประเพณีปีนึงก็ได้มาพบมาเจ อ, เ อ, อพวกลูกทั้งหลายหลานทั้งหลายได้ประมาทพลาดพัง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 คารวะพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ล่วงเกินในอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งใดก็ตามพ่อแม่ยินดีอโหสิกให้กับลูกกับหลานทุกขูดทุกคนโหสิกรรมให้ลูกให้หลานทุกขู่ทุกคนเนอะให้ลูกห ล, กหลานจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเออให้เจริญถวยอายุวันณนะสุขภาระหละับยศฉลาเสริญสุข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 ปาธนาสิ่งไหนที่ไม่ถูกนะั่นะนะ่นะเให้มันทะเลาะว่แว่งกันเอากันจุดหัวลากั้งแตกจุดแท้แตก่งนั้นแต่หลวงพ่อไม่ไม่อำนวยความสะดวกให้นะเออขอให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้ทราบนะคำว่าปาธนาออกนอกกรอบนะี่ก็มีเหมือนกันนะเออศรัทธาญาติโยมลูกหลานหลวงพ่อในชอบสอนเะรืนะ่องชาดกลิญนิทานให้ฟังเอมีหลานของ อนาถาเมติกะเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนของอนาถาเมติกะเศรษฐีเป็นคนเจ้าชู้เหมือนกัะพอเกิดขึ้นมาแล้วนอะโอผู้หญิงเห็นแล้วนี่ชอบอกชอบใจอย่างมากเหมือนนแะไปที่ไหนไปว่าเป็นโพลเลยไม่รู้ว่าลูกใครเมียใครเหมือนนแะพระเจ้าประเสริฐที่โกสลนหนึ่งตำรวจก็จับมาจับมาได้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 ในรมอันในหนอพระเจ้าข่าที่มันเป็นอย่างนี้หน่ยพระโตองค์บอกว่าสมัยก่อนพระพุทธเจ้ากัดสปะคือพระพุทธเจ้าในพัฒกาบนี้มีอยู่5พระองค์กะกุสันโธกะกุสันโธโกณคขมโนกัดสโปโคตโมอริยาเมตโยนพระอริยาเมตโยคือพระศีอานี่ยคือองค์ต่อไปนอกออกไปจากพระพุทธเจ้า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 เออถ้าว่าเกิดพบหน้าชาติหน้าเนะี่ยหญิงใดก็ตามที่ไม่ใช่เป็นญาติพี่น้องของข้าเนะีไม่ใช่ญาติสายโลหิตของข้าเนะี่ยถ้ามองเหตุข้าพเจ้าแล้วให้ใจสัพัสสัพพัสตะธานหวั่นไหวเหมือนกับปลายหางธงที่ผูกกับลมนะปราถนาอย่างนั้นนะ่ะเอในสมชายนะใครๆพวกเราเห็นไหมที่ลมอธงมันอยู่ที่สูงๆนะปากใสไซเรนะพอเห็น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 เป็นคนพิการตลอดชีวิตนะหวนัวนกพื้นฟื้นขึ้นมากระโต o a s เตะจะเป็นบ้าก็ไม่ใช่จะเป็นบอก็ไม่ใช่พวกคนพูดล้อเล่นล้อเล่นดีๆเนี่อนนจนจะถึงวันตายเราต้องการแม้อย่างนั้นใครๆก็ไม่ต้องการทั้งนั้นนะอยากจะเป็นคนสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นั่นแหละต่ะทำจะทำอย่างไงก็ต้องสัรวมระวัง